1.5 ผู้ปฏิบัติต้องไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงวงเล็บเปิดทั้งกุศลอกุศลและที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลวงเล็บปิดความไม่ประมาทคือการมีสติวงเล็บเปิดการระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจวงเล็บปิดถ้าขาดสติคือประมาทหน้าที่ของเราคือให้รู้ทันกายรู้ทันใจ เราต้องไม่ประมาทในกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะกรรมชั่วใหญ่ๆก็มาจากกรรมชั่วเล็กๆคุณงามความดีใหญ่ๆก็มาจากคุณงามความดีเล็กๆดังนั้นเราต้องรวบรวมความดีเอาไว้ต่อสู้กับมารตอนข้ามภพข้ามชาติมารมีทั้งหมดห้าตัวตัวแรกคือขันธมารตอนแรกเราคิดว่าร่างกายและจิตใจของเรามีทุกข์บ้างสุขบ้างโดยเฉพาะเราเห็นว่าจิตนี้คือผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขล้นล้วนในวงเล็บพระอนาคามี ฉับพลันมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ล้นล้วนมันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหาัสตัวต่อไปคือเทวะปุตตมานที่จะมาหลอกหลอนให้ถอยถ้าถอยแล้วจะมีความสุขมากแต่ถ้าทำต่ออาจจะถึงตายได้อภิสังคาระมานคือความคิดของเรากิเลสมานคือกิเลสของเราตัวสุดท้ายคือมัจจุมานเหมือนความตายมารออยู่ตรงหน้าในขณะนั้นถ้าเราไม่เคยสั่งสมความดีจะเอาอะไรไปสู้กับมาน แต่ถ้ามีความดีมีบารมีมากพอถึงนาทีสุดท้ายมันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะสําหรับความประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคือขันห้าคือกายกับใจยกเว้นจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอกุศลรวมทั้งเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นกุศลและอกุศลขันทั้งหลายที่เหลือเป็นวิบากเป็นกลางๆงไม่ดีไม่ชั่ว เช่นเราประมาทในร่างกายไม่ได้ความตายจะมาถึงเมื่อใดก็ไม่รู้อย่าประมาทในเวทนาคือความสุขความทุกข์เพราะความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวเป็นต้น